รู้สึกเหมือนเป็นผู้ร้ายหลังศึกษาธรรมะบทความโดยดังตรินจัดทำโดยสถาพรสุวรรณไพรหลังจากไปธรรมะมารายะหนึ่งเวลาต้องย้อนกลับไปเถียงกับใครเรารู้สึกเหมือนผู้ร้ายเลยอยากถามว่าถ้าการถกเถียงกันเป็นบาปเป็นความผิดอย่างนี้แปลว่าถ้าเห็นใครทำผิดก็ไม่ควรต่อว่าอะไรเลยหรือเปล่า คืออย่างนี้นะครับสำรวจกันดูดีๆตั้งตนขึ้นมาการถกเถียงมักยืนพื้นอยู่บนสมมติฐานที่ว่าถ้าแกไม่ผิดก็แปละว่าข้าผิดนะสิหรือถ้าแกไม่เลวก็แปละว่าข้านี่เองที่เลวพอรู้สึกกันซะอย่างนี้จึงไม่มีใครอยากยอมใครเพราะไม่มีใครอยากได้ชื่อว่าเป็นคนผิดหรือเป็นคนเลวนั่นเอง สรุปให้สั้นคือตอนคนเราเถียงกันมักมีความโลภอยากเอาชนะมากกว่ามีเมตตาอยากเปลี่ยนผิดให้เป็นถูกหรืออยากช่วยกำจัดความเห็นผิดของอีกฝ่ายเริ่มขึ้นมาก็มีการตั้งท่ากูถูกแน่ๆเสียแล้วด้วยความเคยชินชนิดนี้แหละที่จะทำให้คนมีธรรมะในหัวใจรู้สึกผิดเพราะธรรมะไม่มีกูมีแต่เหตุผล ธรรมะไม่มีความหนักอกมีแต่ความโปร่งเบาธรรมะไม่มีผู้ชนะมีแต่เพื่อนร่วมทุกข์เสมอกันควรกอดคอช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างไรก็ตามหากจะถอนเท้าเต็มตัวไม่โตเถียงไม่ขัดแย้งกันเลยก็ไม่ใช่วิสัยที่เป็นไปได้การอภิปรายการโต้แยง้งการคัดค้านนั้นแม้แต่พระพุทธองค์ท่านก็ทรงกระทา หาได้นิ่งเฉยไม่โตต่อใครเลยเมื่อเขาพูดผิดหาได้ขวนขวายน้อยเมื่อภิกษุในพระธรรมวินัยละเมิดกฎท่านติเตียนภิกษุที่หย่อนความเพียรหรือกระทั่งขับไล่ภิกษุทุศีลด้วยซ้ำไม่เลี้ยงไว้ทำความเสียหายแกหมู่สองโดยรวมเลยในทางศาสนานั้นพระองค์ให้ยึดถือพุทธลีลาเป็นแบบอย่างคือสนับสนุนให้พุทธบริษัท ช่วยกันปกป้องรักษาศาสนาใครเข้ามากล่าวตู่พระศาสดาถ้าแก้ได้ก็แก้ไปใครเข้าใจผิดพระสัตธรรมถ้าไขได้ก็ไขไปมีข้อแม้คือต้องทำไปด้วยความรู้ที่ถูกต้องและทำด้วยความเห็นตามจริงทำด้วยความรู้สึกอันเป็นเมตตานี่ก็เป็นในทนองเดียวกับการถกเถียงทางโลก คุณจะไม่รู้สึกว่าเป็นผู้ร้ายแน่ๆถ้าหากมีเมตตาเป็นที่ตั้งแต่ของแบบนี้พูดง่ายทำยากเพราะความเมตตาเป็นธรรมชาติของจิตแต่ไม่ใช่ธรรมชาติของมนุษย์ขอให้ฝึกแผ่เมตตาไปเถอะครับฝึกขณะพูดนั่นแหละยังไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้พูดไปก็สังเกตไปว่าใจเราหนักหรือเบาถ้าหนักทึบอึดอัดให้แปลไว้ก่อนว่า นั่นไม่ใช่การพูดด้วยเมตตาแต่ถ้าเบาสบายให้นับไว้เป็นคะแนนสะสมหนึ่งแต้มพอสั่งสมได้ครบสิบแต้มลองตรวจใจดูอีกทีคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแน่นอนและอาจไม่รู้สึกผิดอีกเลยก็ได้